มีลูกมีหลานด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, ลลอสมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงเอกะอลัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสูตร และไม่ทรงถูกประสูดและไม่มีผูดด้ใดเสมือเหมือนพระองค์